รีเซ็ตจิตทำกันได้ด้วยพลังอธิษฐานไม่มีปีใหม่ใดใหม่ได้โดยบังเอิญต้องใหม่ด้วยความตั้งใจจิตถูกได้แก่จิตที่พร้อมผลิตความคิดดีๆผู้ถูกทำถูกกับจังหวะและสถานการณ์ให้ความรู้สึกว่าใช่แล้วชอบแล้วเป็นตัวของตัวเองดีแล้วจิตผิด ได้แก่จิต ท, ที่พร้อมผลิตความคิดไม่ดีไม่เอาไหนพูดไม่ถูกทําไม่ถูกเหมือนกลายเป็นอีกคนที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองปล่อยให้สถานการณ์พาไปตลอดแม้อยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ทำไม่ได้คล้ายมีอีกคนในตัวเองขัดขืนไว้ขวางทางไว้เมื่อจเจริญสติแบบพุทธถึงจุดหนึ่งคุณจะเห็นจิตเป็นวัตถุดูจากที่จิต ไม่อาจคงสภาพแต่ถูกกระทำให้เป็นไปต่างๆได้แปลความรู้สึกในตัวตนไปต่างๆได้เช่นเข้าไปในสถานที่รื่นรมปลอดโปรง่งก็พร้อมเป็นกุศลสดชื่นเบิกบานเข้าไปในสถานที่อับทึบเหม็นเน่าก็พร้อมอับเฉาเป็นอกุศลหดหูเป็นต้นและเมื่อมีสติรู้ได้เรื่อยๆว่าจิตไม่ใช่ตัวคุณ คุณจะพบว่ามีทั้งจิตถูกและจิตผิดวิธีปราจิตให้ถูกในสถานการณ์ที่บีบให้จิตผิดทำได้ด้วยการอาศัยพลังอธิษฐานแบบพุทธประการแรกสุดคุณต้องระอากับจิตแบบเดิมและตกลงกับตัวเองว่าไม่เอาแล้วแน่วแน่แล้วว่าจะเปลี่ยนพูดง่ายๆคือต้องขึ้นต้นด้วยความเต็มใจเปลี่ยน ประการที่สองทำจิตให้เบ่งบานเป็นกุศลดวงใหญ่อาจจะสวดอิติปิโสสักเจ็ดจบถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาจนเกิดสมาธิชื่นบานเต็มที่เมื่อจิตเป็นกุศลใหญ่แล้วค่อยทำข้อต่อไปประการที่สามนึกถึงสถานการณ์ที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดอกุศลเป็นประจําจนรู้สึกถึงจิตผิดใขนาดนั้นได้แจ่มชัด และตั้งใจมั่นว่าจะเปลี่ยนจิตผิดดังกล่าวแทนที่ด้วยจิตถูกดังเช่นจิตที่เป็นกุศลอยู่ในปัจจุบันถึงจุดนี้ได้ชื่อว่าตั้งอธิษฐานเปลี่ยนจิตโดยอาศัยกุศลธรรมเป็นพื้นยืนไม่ใช่อธิษฐานล อ, อยๆกับลมแรงดังเคยความรู้สึกจะเหมือนมีพื้นยืนตั้งมั่นแน่วนิงและเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามความปรารถนา รการที่สีสังเกตผลลัพธ์ในชีวิตจริงคือเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เดิมๆที่มากจุดชนวนให้เกิดจิตผิดหากพบว่าจิตไม่เพี้ยนยังมีความตรงเกิดสติชัดมีความเป็นกุศลอยู่แบบสบายๆคล้ายกับจิตหลังสวดมนต์อีกทั้งพบตัวเองในอีกแบบที่ต่างไปคือความคิดคำพูดและการกระทาเป็นไปในทางดีทางชอบทางใช่ ไม่หลงไปควยแควไปกับแรงกระทบจากบุคคลหรือสถานการณ์ดังเคยนั่นแปลว่าคุณรีเซ็ตจิตสำเร็จแล้วสำหรับบุคคลหรือสถานการณ์นั้ น, น, น